นั้นพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวดวงเดือนที่ลอยอยู่ในห้วงอวกาศนั้นกว้างใหญ่ไพศานั้นคือรูปรูปประคันถ้าเช่นนั้นร่างกายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรูปประคันเท่านั้นดังนั้นร่างกายแท้คือจักรวาลแห่งวัตถุทั้งหมดมันน้าตกใจเดียวที่จะบอกว่าร่างกายพระอาทิตย์เป็นร่างกายของเราด้วยแต่แล้วเป็นความรู้พื่อ น, น, นง่ายๆนะครับพระเจ้าท่านทร ง, งชี้ให้พระราหุล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 ในเชิเงเหตุผลที่ว่ามนุษย์เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินี่เป็นความรู้ที่เราได้มาจากต้นดอกหรือโดยสามัญสำนึกเพราะว่าธรรมชาติมีอยู่ก่อนมนุษย์เกิดมนุษย์เกิดไม่กี่ล้านปีเนี่ครับแล้วถ้าความรู้มผมไม่พลาดเนะียมนุษย์เกิดในยุคที่ดอกไม้ปรากฏในโลกนี้น่าแปลกน่าหาความสัมพันธ์นว่าทําไมนะเอ่อมนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติทั้งหมด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 ดังน น, นห่วงอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่เป็นอันเดียวกับจิตซึ่งดับสนิทแล้วหรือเปล่าดังที่เราได้ยินคํา อ, อุปมาเปรียบเทียว่าจากคณาจารย์เซนว่าจิตแท้แท้ลึกแกนใจนะฮะเช่นเดียวกับห่วงอวกาศอันไร้ขอบเขตคํานี้น่าทึ่งน่ากระทบมากครับตัผมเองหลังจากถูกจุดประกายจากอาจารย์สวยแล้วนะครับหนังสือเล่มถัดมาอันนี้เล่าเรื่องส่วนตัวแต่เพื่ม เพื่อประกอบว่ามันมันส่งผลอย่างไร mm hmm. คำพูดของครูบาฮงโกนี่กระทบมากๆครับที mm ่ hmm. จิตคือพุทธะเนี่ยเกระทบผมมากๆเลยอัน mm hmm. นั้นพิเคราะห์จากยานวิทยาของพุทธศาสนาที่เรียกว่าขันห mm ้า hmm. เราจะพบว่าฝ mm ่ hmm. ายมหายานได้พัฒนาความเข้ายใจนี้ไปไกลจนกระทั่งประมวลสรุปว่าขัน 5, หน้าหมายปรากฏการทั้งหมด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 ส, สัมมุตของมนุษย์ผิดเพี้ยนมาจากคันลองของความเป็นมนุษย์มากขึ้นในสิโลกตัวน อ, อกความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้นั้นโดดเด่นนะครับว่าในมนุษย์คนหนึ่งๆเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นนายกอซึ่งเที่ยงแท้และถาวรฐานอังเขาเปลี่ยนแปลงอาจจะลดต่ำมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ทั้งๆที้ร่างกายนี้ก็คือร่างกายของมนุษย์จริงโครงสร้างทา ง, งด้านวิสิก์หาได้อิสระ ไปจากแยกไปจากสัตว์เดรัจฉานเท่าไหร่ไม่ในทางบาลีห ร, หรือหลักคิดทางพุทธศาสนาถือว่าต่างกันตรงนี้ฝ่ายหนึ่งเรียกเดรัจฉานฝ่ายหนึ่งเรียกวมนุษย์แต่เั็นสัตว์เสมอ ก, กันที่เดรัจฉานไม่ใช่คําด่านะแต่เดี๋ยวนี้เราเอามาดา่าชันด่าเพื่อนไอสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวได้ต่อยกันยุ่งไปหมดติรดฉานนมแปลไปแขวงข ว, ง, ขวงครับคือกระดูกสันหลังเขาไปทางเส่นขวางดังนั้นตกภายใต้อํานาจสัญชาติยานตลอด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 สองข้างและลำตัวตรงและในบรรดาสัตว์สองขาที่ยืนลำตัวตรงนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นเลิศสุดมีคํานี้เป็นคําิยามเนียเพราะเป็นสัตว์สองเท้าประเภทเดียวที่เฉลียวฉลาดและรู้แจง้งแต่ว่าคำว่าคนหรือสัตว์บุคคลตัว ต, วตวนนี้มักจะใช้แทนที่กันได้ภิกษุสามเนยน้อยจะรับการคําสอนในยานวิทยานี้เป็นปฐมเลยให้พิจารณาปัจจุบ วันหนึ่งไม่รู้กี่ตลกเนี่ล ะ, ละเวลากินเวลานุ่งเวลาหม่มนอนว่าไม่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสักแต่เป็นธาตุล้วนๆหนึ่งนี่มีความรู้ชั้นสูงสุดนะเปรียบเสมือนอาวุธ ท, ที่ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดแต่ว่าถ้าเราเอามาท่องด้วยปากเรื่อยๆไปมันก็หมดค่าไปได้เหมือนกันเหมือนมีคนล้อนะครับเราท่องอาคุดเข้าโทออกพุโทโธพุโทโถ นั้นเข้าผลมันเท่ากับท่องว่าโคคาโคล่าโคคาโคล่าเหมือนกันเกิดมันเริ re, example, mm ่มเริ่มสูญสลายประสิทธิภาพของมันนะเพราะว่านั่นเป็นการท่องบนที่ปากหาได้สัมผัสไม่ไม่มีไม่ได้ใช้ระบบสัมผัสจริงๆส่วนระบบวิปัสนาที่ทำให้เกิดปัญญาจมแจ้งนะครับจนสิ้นคลางแคลงสงสัยก็อนนี้ต้องอันดับหนึ่ขีดเส้นใต้นะครับว่า การจำแจ้งสิ้นคลางแคลงสงสัยนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่แจมแจ้งไม่สิ้นสงสยัยเชื้อสามความไม่รู้ยังแฝงอยู่เสมือนเรากำจัดแบคทีเรียเกลี้ยงไปแล้วแต่เหลือสองสาตัวพักเดียวเท่นั้นเนี่ยมันแผ่ขยายคลุมใหม่หลายครั้งหลายหนนะครับที่ชีวิตจิตใจของเราได้สำแดงอนุภาพประสิทธิภาพของความอยู่เหนือข้อจากัด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 เขาเชิญผมไปบรรยายทาผมก็บรญยายไปตามความรู้ความเข้าใจแต่มีนายคนหนึ่งเขาลองดีครับเขาค่อนข้างปลัดเรลืองเ็บอกอาจารย์พูดดีมากแต่ผมถามแล้วก็แล้วทาไมยิงศึกเสียจากพระผมรู้สึกถูกลองดีแล้วผมก็บอกว่าไม่รู้ผมไม่เคยบวดคนที่บวนเรื่องคุณโควิดไม่เกี่ยอะไรกับผมเมื <c> ่อ <oughs> คาต่อกันนาไปดูอีพิทางหนึ่ง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 ที่จริงพุทธวัตนั้นสาคัญทุกตอนจนอาจารย์นุมโรานซึ่งเป็นนักกวีนิพนธ์นะครนักกวีเนะี่ยเขาจะแผ่ขยายจนกระทั่งถึงบทที่อยู่ที่ชั้นดุสิตผมเรียกร้องอย่าดังเกียรติวรรณกรรมอันเลื่เหล่านี้นะฮะเช่นในลลิศวิสตระอะไรอยางเงี้ยก็ตังต้นในชั้นดุสิตเลยครับถือว่าพระเจ้าสามารถตรัสรู้ได้ในชั้นดุสิตแต่ด้วยพระมหากรุณาที่โลกจะว่างเปล่าและุ รับคำอราธนาที่มาตรัสรู้เยี่ยงมนุษย์สามัญเอาไปนั้นว่าผมจะเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญซึ่งจะนำเข้ามาสู่บทวิเคราะห์ที่สำคัญคือช่วงที่ท่านตรัสรู้แล้วที่ใต้ต้นประสีมหาโพจากความเพียรพยายามแล้วแล้วแล้วเล่าจะมานังถึงวินาทีสุดท้ายใต้อัศศพเพรึกเนื้อที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ต้นโพที่จริงเป็นต้นมะเดือ่อนิดหนึ่ง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 ปรัชญาขึ้นแล้วมาสอนอันนี้เป็นอันตรายมากครับซึ่งนำไปสู่การประมวลมาเป็นศาสนาอย่างชิ่นในอเมริกาเขาไม่เรียนศาสนาเนชะั้นชั้นเรียนจะไม่มีการเรียนแต่ว่าศาสนาจะอยู่ในรูปของไม่รู้จะแปลว่าอะไรศาสนาพลเรือน Civilian religion ครับ Civilian religion ยนยนุ่นหมายว่าไม่มีศาสดาผู้ตรัสรู้แต่นักวิชาการได้ประมวลความรู้จากนักโราศาสตร์นักจิตวิทยาของพลอยว้างของยุงว้าง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 ท่านจาริกไปกาสีเพื่อจะไปช่วยปัญจวัคีนะครับซึ่งถ้าพรงท่านได้ยินข่าวว่าหลบลี้หลังจากนายแหนงท่านหลบลี้ไปอยู่ที่กาสีคือพาราณสีศูนย์กลางของฮินดูนะครับระหว่างทางท่านเจออุปกระชีวกชีวกคนนั้นเห็นสชีญญาาาสสวาณวชีวชีวชีวชเว็ีวชีวชีวชีวชีวชียชีวชีวชีวชีวชีวชีวชีวชีวที่ชนนีวเีวชีวชีวชีวชีววชีวาีวชีวชาววชีว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 มันอยู่ผู้ ผ, ผู้รับรู้ผู้เรียนไม่พร้อมที่จะเรียนหรือจับผิดเรียนพลาดไปมันก็ยาที่ที่หมอให้นะก็บอกให้กินตามโดสแล้วกินผิดไปนะครับกินน้อยไม่ได้ผลกินเกินตายอุปการชิวก็ไม่เชื่อครับแล้วแถมทา้าทายด้วยแลบลิล้นหลอกแล้วก็พูดดกดันว่าเชิญเป็นใม่พอนะพ่ออย่างนั้น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 ขะ น, นั้นท่านทรงบาดอยูน่นะครับในตลาดพี่เจ้าเลยเตือนให้ใหระวังว่าท่านจะพูดสั้นที่สุดแต่เป็นแก่นถึ่งชาวพุทธทั่วโลกรู้จักกันดีนะครับพี่เจ้าเตือนให้ตั้งสีเราบอกว่าถ้าเชนั้นเมื่อใดตาเห็นรูปสักแต่เห็นเมื่อใดหูได้ยินเสียงสักแต่ได้ยินเมื่อใดจิตรู้อารมณ์ใดสักแต่รู้เมื่อ น, นั้นตัวเธอภาพลักษณ์ของของตัวเองจะไม่ปรากฏไม่ว่าที่นี่ในอดีตปัจจุบันนาก็จะไม่ปรากฏเลยคือจะไม่รีเฟล็กกันนี้ขึ้นมา ที่ตรงนั้นมันพี่สุดทุกข์แล้วก็ภายะก็ตรัสรู้ขณะนั้นนะครับแต่แล้วก็เมื่อทูลขอบรรพชาก็ต้องไปหาบาทแล้ะถูงแม่วัวบ้ากีดตายซึ่งเป็นที่มางเรื่องการมณิทวารีเขาย่นย่ อ, อมาดังนั้นระหว่างธรรมนิยามกับทําบัญญัตนินี้เราต้องเข้าใจว่าเนี่ยพระองค์บัญญัติธรรมะขึ้นสอนในฐานะเป็นอุปายเป็นอุบาย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 ต้องทะลุทะลวงปัจจุบันเมื่ทีหนึ่งพีถ้อยคำซึ่งอาจจะเป็นรหัสจัดมากกับเป็นรหัสแต่ว่าเป็นรหัสซึ่งถูกประมวลมาจากความชี่ยวชาญชำนาญของผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนิพพานเช่นคำพูดที่ว่าให้รู้แต่อย่าให้มันรู้อะไรเข้าฟังดูลาา้าเหตุผลาร adox หกผัน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 ยึดอะไรโดยไม่ดูแล้วปฏิบัติเช้าปฏิบัติเย็นจะเป็นปีๆนั่งหลัหูหลับตาผมไม่ได้ว่าใครคนใดนหนึ่งฮะปัญญานี่สําคัญนะฮะปัญญาเป็นเครื่องสองเรารู้ว่าในที่มืดต่อให้เราหัวไปชนเข้าแล้วเนี่ยแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็สงสัยอยู่นั่นนะครับคลาถูกแล้วแต่วไม่รู้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีดีก็ไม่รู้ว่าดีอย่างไรชั่วก็ไม่รู้ชั่วอย่างไรในสุดสมมุติก็ไม่รู้ว่ามันเขาสมมุติดเพื่ออะไร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 ครูนี่เป็นคําที่ใช้กันกลางๆไม่อาจจะดวาเป็นพุทธได้วันสุดท้ายของปรชนชีพของพระพุทธเจ้าพระอนนท์ถามเรื่องนี้ครับใครจะเป็นศาสดาแทนนะและ้วพระเจ้าอ้างถึงคําว่ากํามือของครูไม่มีในเราปกติระบบครุกุลในอินเดียนั้นะครุกุลก็คือลูกศิษย์ครูไปเป็นส ก, กุลของครูครับจะเรียนอะไรต้องเป็นลูกครูนะฮะเรเรียกว่าลูกครูพ่อครูกัน ทั้งครูทั้งเมียรครูใช้สักพาาักเอาเพื่อจะแลกเอาความรู้นะอาศัยความรักใกล้ชิดกัน น, นะเรือระบบครุกุลแล้วก็ครูเขาจะขยักความรู้ไว้กําลาบสิทธิ์ครับคือจะสอนหมดเดี๋ยวมันกําเริกเปรียบสารไม่มีใครคุมอยู่เขาขยากักถ้าเป็นครูมวยามาก็หมายความมีไม้เด็ดที่จะปราบไอ้หมอนี่หรือถ้าครูดา่ า, าก็หมายความอีกตอนหนึ่งที่จะจัดการเขาจะไม่สอน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 หรือทำลายสิ่งที่ถูกสร้างสรั์ขึ้นใหม่เช่นระบบปกครองแบบสังฆราชานะถ้าเอาพระวจนะในช่วงชีวิตสุดท้ายเนี่ยจริงพระเจ้าบริเศสนะไม่ยอมมีผู้นำสงฆ์มาเป็นตัวแทนทำนองกาลิกหรือชีสหรือสันต ป, ปาปานะมีไม่ได้ครับในพุทธศาสนาถือเอาทมวินัยเป็นาศาสดาเลยเพราะนั้นการปกครองสงนั้นตาม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 ที่จริงเ็าเริ่มต้นไว้ครึ่งหนึ่งในเรื่องของมหากรรมรหัสแห่งการเดินทางวิทยาความรู้ซึ่งอยู่นอกขอบเขตของพุทธศาสนาแต่เราไม่อาจไปเสษได้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นพูดจากประสบการณ์และหลักความจริงเช่นอิคารุสพทโยธยานจะไปให้ถึงดวงอาทิตย์แห่งศัจธรรมในสุดยิ่งใกล้ศัจศัจจนั้นได้พิสูจน์ว่าไม่ใช่สัจของอัตตา ในสุกรล่วงหล่นมาสู่ทะเลซึ่งเป็นใบหน้าของตัวเองกลับเพียงกลับเข้าถึงใบหน้าเดิมแท้ของตัวเองหรือที่เซนเรียกว่าจิตเดิมแท้เท่านั้นองโดยวิธีอธิบายง่ายๆผ่านทางประการนําหรือทีเรมิตรหรือปรัมราคติเช่นนี้นะฮะเป็นวิธีสื่อภูมิปัญญาครั้งโบราณก่อนหน้าที่กระบวนการเหตุผลจะเติบโต แต่ก็คือหลักการและแก่นเดิมครับเมื่อมองช่นนี้แล้วเราจะพบว่าโลกครั้งอดีตไม่ได้รังร้ายภูมิปัญญาครับแต่ครั้งอดีตนั้นมีการเคลื่อนไหวในทางภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งและต่อเนื่องรวมทังการจาริกแสวงบุญในนี้การเข้าวัดของเราไม่มีลับสนองการจาริกแสวงบุญนะเนี่ยมั น, มนผมว่ามันเปลี่ยนแล้วมันค่อนข้างเพี้ยนด้วยที่ไปรวมตัวเพื่อทำธุรกิจ ดูประหลาดครับที่รวมตัวเอาพระดังๆังงองค์หนึ่งแล้วเบื้องหลังคือฐานธุรกิจมันก็เพี้ยนกันไปใหญ่เลยครับครั้งอดีตเนีอย่างยวนช่างก็ดีน่าวิเคราะห์ดูว่าจิตสํานึกของคนธรรมดาสามัญผมไม่ชอบมองว่าใครเป็นยีเนี่ยหรือเป็นมหาตจั่นเลยนะฮะคือคนธรรมดาที่พัฒนาตัวเองจนมีจิตใจเ้าวหานมีใจที่รักเพื่อนมนุษย์ได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็คือคนธรรมดาครับอย่างพระเจ้านี่ก็คือคนธรรมดา หานุองท่านคือคนธรรมดาครับเหตุที่อ้างธรรมดาเพราะว่าท่านออกบวชแล้วท่านยังเล่าท่านกลูวผี